ปุจฉาวานหนึ่งปัจจญานุโลมเอกมูลก น, ยลนกลัยหนึ่งกุศลบท 25. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยากริดอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสออกุศลบท 26. สสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหม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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลที Miami ่เป็นอกุศลและที Alter ่เ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นอ <can> ัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสีกุศลาพยากตบท 28. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตรุงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอภัยกริตรุ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัยกริตรงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัยากริตรุ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหม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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที um, ่เป็นอัพยากฤะพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมห้าอกุศลาภิยกตบทยี่สิบเสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤะพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล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 พึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมเหตุปัจจัยวานจบ 32. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอารามานปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บแม้อารามานปัจจัยก็พึงอธิบายให้พิสดารเหมือนเหตุปัจจัยตามแนวแห่งคําสอน สาส können, yourself, ิาวธรรมที paso, pancake, Tomorrow, <Anita>. ่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอนันตรัปัจจัยเพราะสมนันตรัปัจจัยเพราะสหัชชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสัยปัจจัยเพราะอุปนิสัยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะปัจฉาชาตปัจจัยเพราะอาเสวนปัจจัย เพราะกรรมมปัจใจเพราะวิปากะปัจจัยเพราะอาหาระปัจจัยเพราะอินทรียะปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมรรคะปัจจัยเพราะสัมปยุตตะปัจจัยเพราะวิปยุตตะปัจจัยเพราะอัติปัจจัยเพราะนัตติปัจจัยเพราะวิขตะปัจจัยได้บ้างไหมสาสิบ สภาวธรรมที mm ่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที Ooooh. ่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอวิชชาปัจจัยได้บ้างไหมละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤิตละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตละอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลละ สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากริดพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากริดพึงเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นละ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภัยกฤิพึงเกิดขึ้นเพราะอาวิชชตปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บแม้อวิคชตปัจจัยก็พึงอธิบายให้พิจาราเหมือนเหตุปัจจัยตามแนวแห่งคำสอนเอกะมูลกนายจบทุมูลกนายเป็นต้นเหตุมูลกานสามสิ 35. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมละสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากฤตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมสามสภาวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมและเพราะเหตุปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยและเพราะเหตุปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยเพ <ME K AR S> ราะเหตุปัจจั ย, พ ย, พ เ, จจยเพราะอาวิคตตปัจจัยได้บ้างไหมทุมูลกานายัยจบ37สภาวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยได้บ้างไหมละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอนันตรัปัจจัยละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอวิคตตปัจจัยได้บ้างไหมติกะติมูลกนัยจบ38 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเพิงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอาธิปติปัจจัยเพราะอนันตระปัจจัยได้บ้างไหมละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอาธิปติปัจจัยเพราะอวิคตตปัจจัยได้บ้างไหมจตุมูลกนัยจบในมุงเล็บท่านไดย้ย่อปัญจะ มูลกานัยเป็นต้นไปแล้วผู้รู้พึงอธิบายเอกมูลกัณฐ์ทุกมูลกาาัณนติมูลกาาัณนจตุมูลกาาัณนปัญจมูลกาาัณนสัพพามูลกาาัณนของบทแต่ละบทให้พิสดารเหตุมูลกาาัณนจบอารัมมณมูลกานัยเป็นต้น39สสภาวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยละเพราะอารามณปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้บ้างไหม เพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะอวิคัตปัจจัยเพราะเหตุตุปัจจัยเพราะอวิคัตปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอวิคัตปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยละเพราะวิคัติเพราะอวิคัตปัจจัยเพราะวิคัตปัจจัยได้บ้างไหมทุมูลกันใย จบสีสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอวิชชตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะวิคชตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอวิชชตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยและเพราะอวิชชตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะวิชชตปัจจัยได้บ้างไหม สีสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะอาวิชชตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารมามณปัจจัยเพราะอาธิปติปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิชชตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยละเพราะวิชชตปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บ ผู้รู้เพ่งอธิบายเอกมูลกนัยทุมูลกนัยติมูลกนัยจตุมูลกนัยปัญจมูลกนัยสัพพมูลกนัยของบทแต่ละบทให้พิศดานอนุลมมีในอันลึกซึง6ประการคือ 1. ติกาปัฏฐาน 2. ทุกกปัฐาน 3. ทุกติติกาปัฏฐาน 4. ติกาทุกกปัฏฐาน5ติกา ติกปทาน6ทุกกะทุกกะปทานแต่ละปฐานประเสริฐสูงสุด 2. ปัจเจยะปะจยะัปะจจนียะ 42. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้บ้างไหมนวยมังเลพึงอธิบาย นาเหตุปัจจัยแม้ในปัจจนยะให้พิสดารเหมือนเหตุปัจจัยในอนุโลมสีสสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะณอารามณณปัจจัยได้บ้างไหมเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยเพราะณสหชาตปัจจัย เพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณนิสัยปัจจัยเพราะณอุปนิสัยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวณปัจจัยเพราะณกรรมปัจจัยเพราะณวิปากปัจจัยเพราะณอาหารปัจจัยเพราะณอินทรียปัจจัยเพราะณชาณปัจจัย เพราะนามัคคปัจจัยเพราะนสัมปยุตยตะปัจจัยเพราะนวิปยุตตะปัจจัยเพราะโน Deal, อธิปัจจัยเพราะโนะโนธิปัจจัยเพราะโนวิขตปัจจัยเพราะโนอวิขตปัจจัยได้บ้างไหม44สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะนะเหตุ ป, ปัจจัยเพราะนอารามณปัจจัยได้บ้างไหม ในวงเล็บแม้ในปัจจ尼ยะผู้รู้เพึงอธิบายเอกมูลกนยัยทุมูลกนยัยติมูลกนยัยจตุมูลกนยัยจนถึงเตวีจติมูลกนยัยของบทแต่ละบทให้พิจารณาเหมือนในอนุโรมปัจจ尼ยะมีนายึกถึง6ประการคือ 1. ติกาปัฐาน2ทุกกปัฐาน 3. ทุกกติกปัฐาน 4. ติกาทุกกปัฐาน 5. ติกะติกะปฐธานหทุกตทุกตาปฐธานแต่ละปะฐานประเจอถุงสุด 3. ปัจจญานุโลมปั จ, จนี่ยะสีสสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะนะารามณปัจจัยบ้างไหม สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะนะอารัมานะปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บแม้ในอนุโลมปัญจนียผู้รู้เพิ่องอธิบายบทให้พิศดารเหมือนกับเหตุตุปัจจัยในอนุโลม 46. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิงเกิดขึ้นเพราะเหตุปั จ, จัยเพราะณนะอธิปฏิปั จ, จัยได้บ้างไหม เพราะเหตุปัจจัยเพราะณอนันตรัปัจจัยละเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนวิกเพราะโนอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมสี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะณอธิปติปัจจัยได้บ้างไหม เพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะโนอวิคขตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะเหตุปัจจ an ัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตระปัจจัยละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัย เพราะอธิปฏิปัจจัยเพราะโนวิคตตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจใจละเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะโนอวิคตตปัจจใจละ เพราะเหตุตุปัจจัยเพราะอารัมมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิตยญาปัจจัยเพราะอุปนิตยญาปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะปัจฉาชาตปัจจัย เพราะอาเสวนปัจจ green, ัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินตียปัจใจเพราะชานปัจจัยเพราะมัคกะปัจจัยเพราะสัมปยุตตะปัจจัยเพราะวิปยุตตะปัจจัยเพราะอธิปัจจัยเพราะนัตติปัจจัยเพราะวิกตะปัจจัยเพราะโนอวิกตะปัจจัยได้บ้างไหม4ี่ส สภาวะธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลพุงเกิดขึ้นเพราะอารามานปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตรปัจจัยละเพราะอวิขตปัจจัยเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะอวิขตปัจจัยเพราะนอารามานปัจจัยละเพราะอวิขตปัจจัยเพราะโนวิขตปัจจัยได้บ้างไหม เพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะณอารามณปัจจัยละเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะอวิคตปัจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะณอธิปติปัจจัยละเพราะอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยได้บ้างไหม เพราะอาวิคตาปั จ, จัยเพราะเหตุปั จ, จัยเพราะอารัมมณปั จ, จัยเพราะอาธิปติปั จ, จัยเพราะอนันตรปั จ, จัยเพราะสมนันตรปั จ, จัยเพราะธะหาชาตปั จ, จัยและเพราะโนวิคตปั จ, จัยได้บ้างไหมอนุโลมปัจญจิยะมีในอันึกถึง6ประการคือ 1. ติกปะปัฐาน 2. ทุกปะปัาน สทุกติกาประธานสติกาทุกกประธาน 5. ติกาติกาประธาน6ทุกกทุกกประฐานแต่ละประฐานประเสริฐสูงสุด 4. ปัจจยะยปัจจนยานุโลม 49. ส, ส, สภาวธรรมที่เป็นกุศลนาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุนะเหตุปัจจัยเพราะอารามนะปัจจัยได้บ้างไหม สภาวธรรมที่เป็นกุศลนาศัยสภาวธรรมท думаю, ร <balcony> Meeting, <pelvic spa> ี่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยและเพราะนาเหตุตุปัจจัยเพราะอวิคตตปัจจัยได้บ้างไหมห้าสสภาวธรรมที่เป็นกุศลนาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปัจจัย เพราะนารามณปัจจัยเพราะอธิปฏิปัจจัยและเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะนเหตุปัจจัยเพราะนารามณปัจจัยเพราะนอธิปฏิปัจใจและเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะนเหตุปัจจัยเพราะนารามณปัจจัยเพราะนอธิปฏิปัจจัย เพรนาะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมานันตรปัจจัยละเพราะโนอธิปัจจัยเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยได้บ้างไหม 51. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะณอารัมมาปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมห้าส สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะนารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยและเพราะนารามณปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัยและเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยและเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหม เพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะอารามณปัจจัยละเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะนเหตุปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหมเพราะโนอวิคตปัจจัยเพราะนาเหตุปัจจัยเพราะนอารามณปัจจัยเพราะนอธิปฏิปัจจัยละเพราะโนอธิปัจัยเพราะโนนัธิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยได้บ้างไหม ปจณียานุโลมีนายลึกถึงหกประการคือ 1. ติกาปฐฐานสองทุกกาปฐฐาน 3. ทุกกติกาปฐฐาน 4. ติกาทุกกาปฐฐาน 5. ติกาติกาปฐฐาน 6. ทุกกทุกกาปฐฐานแต่ละปฐฐานประเสริฐสูงสุดปันนติวานจบปัจจัยี3ิบสามในนิเทศวานจบ